ก่อ น, น้อนๆพาลนไตรตไก่อถวายความเคารพยังบระกรมเพื่อนการรมนทำทุกๆรูปนะว่าเจริญพอเจริญทรมายังคุณแม่ชีวาศกวาสิกาทุกๆท่านก็รัำเสร็จช่วงนี้ก็อากาศมืดๆวาย สว่างช้าเข้าหน้าหนาวแล้วเราใช้สิ่งแวล้อ บ, บรรยากาศวัดป่าสุกโตเป็นช่วงเข้าคอปฏิบัติธรรมประจำเดือนคนก็มากันบางทีลูก ป, ปิดเทอมก็กลัวก็พากันมาบางทีก็เป็นวันเกิดหรือว่าเป็น หาโอกาสโครงการบ้างตามโรงพยาบาลตามหน่วยงานก็เพื่อที่จะรับรู้รับทราบข้อมูลในวิธีปฏิบัติธรรมรูปแบบการปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าอยู่ร่วมกับชุมชนกิจวัตรประจำวันต่างๆเพื่อจะได้ฝึกหัดฝึกหัดสติ สติมีอยู่แล้วทุกคนตามสัญญาติยานสติปัฏฐานก็มีอยู่บ้างบางทีเราก็รู้ตัวบางทีเราก็หลงตัวบางทีเราก็รู้กายรู้ใ จ, บ า, ใจบางทีก็หลงกายหลงใจบาทีก็หลงรูปตามนามตามตาหูจมกูกลิ้นต่างๆการคิดการปรุงหลงอารมณ์ มีความโกรธบ้างมีความเกลียดบ้างความสุขความทุกข์พอใจไม่ nice, พอใจยินดียัน้าชอบไม่ชอบแบบนี้เราก็ใช้สิ่งเหล่านี้เราเป็นต้นทุนเป็นข้อมูลเป็นวัตถุดิบแล้วเราก็มาแจกแจงกันหมวดหมู่กลุ่มธรรมะฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลหรือว่ารูปตามนามตามตัวสติ การนึกรู้ตัวรู้กับรู้ตัวมันมีตัวรู้แล้วมันมีรู้ตัวรู้ตัวตัวกายตัวใจตัวอาการของกายอาการของใจจิตติมกระตุนถ้ามันดูแล้วรู้ถูกกระต่นก็เปรียบเหมือนว่าเรามาปลุกจิตใจให้มันตื่น สติรู้กายกายก็ตื่นสติรู้ใจใจมันก็ตื่นมาปลุกปกติมันจะไม่ค่อยว้องไวเป็นไวพิปฏิพานคิดก็อยู่กับความคิดเงี้ยนะพอเรานั่งมันก็คิดด้วยยืนเดินมันคิดด้วยจะทำอะไรมันก็มีความคิดนอะแฝงแฝงเป็นเงางาสั่งงานสั่งการอยู่เราก็มาฝึกสติตาไหนเห็น ทังเห็นกายเห็นใจเห็นตัวสติสมาธิปัญญามันกลับมาเห็นตัวเราเนี่ยแหละนั่นก็จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมชวิชากรรมฐานที่นี่ก็มีใช้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวสติจังหวะนั่นก็าการเดินจงกรมเดินไปเดินกลับแล้วก็ศึกษาจาประสบการณ์ตรงของจริงเลยการฝึกเดินจงกรม เดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังแล้วบางทีก็เดินไปเดินกลับอันนี้ก็หมายถึงว่าเราฝึกเห็นการวางกายวางใจ น, นั่นแหละบางทีเดินจะเก๊กเเกงเก่งเพ่งเ่จองจองเราต้องวางคลายคลาผ่อนผ่อนบางทีมันก็เผลอเผอเดินแบบที่มันเคยเดินอย่างเงี้ยความหลงมันพาเดินเงนี้ยเราก็อ๋อต้องเจตนาสักนิดหนึ่งกระทบสัมผัสรู้สึก อนี้แหละคือเริ่มต้นฝึกตัวสติฝึกตัวสมาธิฝึกตัวปัญญาแล้วโดยความเป็นสติปัฏฐานเป็นสติที่กลับมากลับมากลับมาหาตัวเองกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวกลับได้เบยนห่นก็มีพัฒนาการกลับได้มากความรู้ตัวก็คล่องตัวตัวสติเองก็เจริญเวลาหลงแล้วยิ่งรู้นี่เป็นตัวปัญญาไปเลย ส่งผิดไว้ทางตาก็มีตาดูแล้วคิดต่อปุงแต่งต่อหูฟังต่อปุงแต่งต่อขอับไอความคิดอย่างนี้พอมันกลับมาได้ก็อ๋อมนก็เห็นร่องเห็นรอยการขับรถขับเรือในหลักมันมีเส้นทางให้วิ่งแล้วก็ไม่ค่อยจำนานนะนะเป็ น, เ, นเส้นทางที่เราไม่เคยไม่เคยคุ้นบาง ท, ทีมันเคยคุ้นแต่ว่านานพอนจะได้กลับมาอีกทีมันก็หลงห ล, ลืมๆ ม, มไปไม่ชัดเจน ผมมันหลงเปลี่ยนเป็นรู้มันผิดเปลี่ยนมาเป็นถูกเนี่ยก็เป็นตัวปัญญาแล้วก็จะจานานจุดอ่อนแบบนี้แหละจนถ้ามันเชื่อมโยงต่อเนื่องสัมผัสสัมพันธ์นกันแผลในของการเห็นความเป็นปกติจิตจะมันเด่นขึ้นดเด่นขึ้นดเด่นขึ้นสติเ ร, รู้รู้ความนำคำใบขึ้นไบขึ้นใบขึ้นโดยเฉพาตัวความคิดนะตัวความคิดเราไม่เคยเห็นมัน เราไม่คยได้สัมผัสมันส่วนใหญ่เป็นการคิดเห็นนะสัมผัสความคิดรู้ว่าคิดตรงนี้มันมันไม่ค่ยทันเราก็ใส่การปฏิบัติเห็นกายการเคลื่อนการไหวจนสติมันว่องไวมันจะเห็นความคิดของมันเองมันจะไปรู้ทันความคิดของมันเองตรงนี้แหละมันจะกลายเป็นเรื่องของสนุกดูภาวาที่มันสนุก ในการปฏิบัติมันจะมีความโงกห่วงเนนะเบื้องต้นทําไปสักพักมันโง่ ว, งวัน่วงในวาระทำเป็นธรรมะฝ่ายอกุศลในเรื่องของปกิณกะเจตสิกอากุศลเจตสิกมันมีจิตมีเจตสิกมีรูปมีนิพพานอันนี้มันมีอาการต่างๆเกิดในจิตเรียกว่าเจตสิกภาษาธรรมะเราจะสังเกตได้มันวาบไหวแว บ, บแแวบบ่อยเห็นอาการของมัน ครั้งที่มันเป็นการเห็นจริงๆมันจะจบมันเห็นอารมณ์มันเห็นการมันจะจบทันทีมันจะหยุดทันทีตรงนั้นจะเนร่องรอยของสติรากฐานที่มันทํางานจะทําให้เราเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาอ๋อทำอย่างนี้มันมีอย่างนี้ทําเหตุแต่นี้มันมีผลอย่างนี้มันก็จะเชื่อมันเกิดศรัทธาขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้ที่เราสวดมันจะเกิดศรัทธาความเริ่มใส มันเห็นลัาหนะกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าปฏิรักษ์การเปลี่ยนแปลไปของธรรมชาติสรรพสัตว์สว์สิ่งรูปธรรมนามธรรมขั้นหาที่มันมีอาการของมันอ่ะนะมันเกิดดับมันตั้งวันเห็นอาการที่มันเคลื่อนไหวอันนี้จังนะถ้ามันเห็นก็เกิดปัญญาทันทีเบื้องต้นก็คือในหลักการเคลื่อนไหวมือรูปธรรมนี่แเคลื่อนไหวจังหวะหนึงก็รู้สึกตัวครั้งนึ่ง พอเวลามันเกิดอารมณ์เกิดความคิดเกิดตัวหลงึ้นมาจาังหวะหนึ่งมันก็รู้ครั้งหนึ่งแล้วกันเป็นการเคลื่อนไหวว่าไปความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ต น, นจะทำให้เห็นนะ่าการที่มันมันตั้งอยู่เป็นทุกข์เป็นก้อนทุกข์สภ า, าวะที่มันไปเป็นลักษณะของตัณหาอวาทานจะตั้เกิดการแนบแน่นแล้วก็ยึดตัวทางตาก็ห ล, ลงไปยึดตา่างตานะถ้าไม่มีสติปัญญานเราก็จึงฝึก ให้กลับมาหาความรู้สึกที่ฐานกายซะก่อนมันเป็นตัวหยาบที่สุดเสร็จแล้วพอมันมายึดตัวความรู้สึกที่กายกายยวิญญาณมันเป็นตัวกายในกายอะนะกายเนื้อดุนก้อนแต่เวลามันเคลื่อนไหวเป็นความรู้สึกกายยาวิญญาณตัวมโนวิญญาณคือจิตจิตที่มันมันรู้อยู่กายทําอะไรใจทําด้วยกายอยู่ไห น, นใจอยู่ไหนมันรู้อยู่มันแนบกันอยู่ี้ เราได้เห็นในอาการที่มันยิตตรงนี้มันเป็นความไม่ทุกข์ทำไมถึงมาทํามันยึดแล้วมันออกมาจากความคิดออกมาจากอารมณ์ที่เป็นนามธรรมนะเราเห็นมันมีความไม่ทุกข์เล็กๆเกิดขึ้นมาอาจจะเป็นอารมณ์ที่มันเรียกว่าสมถะกรรมฐานก็ว่าได้คือให้จิตมันมารู้ความรู้สึกที่กายญาณวิจาณเห็นกายในกายตรงนี้จนทามันเหมือนกับว่ามันไม่ได้อยู่กับความคิดมันอยู่กับการสัมผัสรู้สึก สัมผัสแล้วก็รู้สึกสัมผัสแล้วก็รู้สึกตัวนั้นเราจะมีบทเรียนเป็นประสบการณ์ตรงจนถ้าเหมือนกับว่าอ๋อเวลากลับมาหาความรู้สึกที่ตัวที่กายนีมันออกมาจากความคิดมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้มันจะได้คําตอบหายสงสัยเบื้องต้นจนทํามันค่อยๆเหมือนกับว่าถอยออกมาจากการแนบแน่นยึดตัวการเคล่อนการไหวของกายมันมันแยกออกมาอีกทีอันนั้นเป็นกฎของกรรมฐานที่เราจะต้องให้เวลาสักนิด มันจะแยกแยกตัวมาดูเป็นตัวสติตัวหนึ่งตัวกายตัวหนึ่งตัวจิตคิดตัวหนึ่งมันจะแยกหมวดแยกหมวดตรงนี้นะจนถ้ามันเหมือนกับว่าสภาวะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ยึดถือไม่ได้เลยมันเกิดได้มันกระดับได้มันมาทางไหนก็ไปทางนั้นเช่นให้เราสังเกตอารมณ์ง่วงเดี๋ยนะสังเกตเราก็ไม่ได้เชื้อเชิญยนะพอเราเคลื่อนไหวรู้สึกอย่างนี้นะมันจะมาแบบมีทิศมีทางเลยนะลองสังเกตดีๆถ้าแยกคาย ถ้าเราแยบคายสังเกตเราจะเห็นว่ามันค่อยๆมีปฏิยามีกลไกการทํางานของมันจาก น, น้อยๆแล้วก็แต่สติรู้ทันได้ไวมันก็จะตัดได้ไวแต่สติไม่ทันมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้ น, นแล้วก็มีอิทธิพลพอมันมีอิทธิพลก็จะครอบงําแล้วก็มีความรู้สึกว่าอ๋อมันจะเชิญชวนเลยเป็นกับดักให้เราหลงเข้าไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้มองว่าเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่พอใจนะ หรือว่าธรรมะสภาว่าทำตัวใดตัวหนึ่งปรากฏขึ้นมาเราจะไปพอใจเช่นพอมันสงบแล้วก็พอใจอยี้หว่าเกิดปิติขึ้นมาเบาเนื้อเบาตัวแล้วเราก็พอใจพอเกิดความเบื่อบางทีมันทำนา น, นานมันเบื่อมันปวดมันเมื่อยเราก็ไม่พอใจเราจะไม่ให้อาการที่เราพอใจไม่พอใจเป็นตัวตัดสินเราจะเห็นอาการที่มันมาแล้วมันก็ไปที่เรามาทางไหนไปทางนั้นเออมันมาแล้วมันก็ผ่านมันมาล้วก็ผ่าน อย่างเงี้ยเหมือนกับเราเปิดตามองบางทีก็มีเกินเดินไปเดินมาแล้วก็ผ่า น, นก็เรียกว่าสติมทํางานได้ละเอียดขึ้นคมขึ้นชัดขึ้นเมื่อก่อนมันดูไม่ได้มันดูมันก็หลงเผลอไปคิดปุงแต่งต่อแล้วฟังก็ไม่ได้จะหลงเผลอไปคิดปุงแต่งต่อคราวนี้พอเราแยกแๆได้อ๋อสัมผัสรู้สัมผัสรู้มันก็จะเริ่มเห็นแล้วอ๋อการทํางานสักตวาสักตวาเบื้องต้นมันจะมีอยู่ให้เราได้เหมือนกับว่า เกิดความมั่นอกมั่นใจว่ากรรมฐานมันมีลักษณะของปัญญาที่มันปรากฏแล้วมันก็ทําให้เราออกมาจากความคิดเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ออกมาจากอารมณ์เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เราก็จะค่อยได้เห็นโดยที่เราไม่ผักใส่แล้วไม่เหมือนกับว่าไปพอใจหลงอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็เลยเป็นการยอมรับ ลักษณะอารมณ์อะไรก็ได้ตั้งแต่เรานั่งหาที่นั่งนั่งๆแล้วก็ลืมตาปฏิบัติพริกมือสร้างจังหวะเกิดการเจ็บปวดเมื่อยขึ้นมาอย่างนี้นะเราก็ไม่เป็นไรเราก็อาจจะเกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขบางทีเราก็เปลี่ยนเอียบดจากนั่งสร้างจังหวะเป็นลุกเดินจงกรมหรือว่าเราเดินนานๆเราเมื่อยเราก็เปลี่ยนเป็นนั่งสร้างจังหวะกลับไปกลับมา ใกลสังเกตนะว่าบางทีอาจจะเดินชัดกว่านั่งก็ได้เหมือนกันใหม่ๆเนี่ยเวลาเดินจงกลมกระทบปั๊บสัมผัสปุ๊บอาจจะชัดกว่าการนั่งยกมือมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะแต่บางทีการยกมือสร้างจังหวะอาจจะชัดเจนเดินไม่ค่อยชัดเจนให้สังเกตนะแล้วก็ใช้อ e ีโบดที่มันไม่ค่อยชัดเป็นอารมณ์ลองซะอีโบดลองก็ แต่เดินชันเราก็เดินวางหน้าวางตาวางไม้วางมือวางแข้งวางขาท้ายสุดจะเป็นการวางความคิดแล้วก็วางความทุกข์มันจะเกิดขึ้นไหมวางหน้าวางตาพอเราเริ่มสังเกตได้อย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกวันนั่งวันนั่งเดินยืนนั่งเดินยืนนะแป๊บแร๊บก็หมดวันเลยเราก็จะสนุกไปหนอารมณมันมาแล้วเราก็ผ่านได้พ็จะมีอารมณ์ปฏิบัติมาลองรับอีกทีนึงทุกครั้งที่ผ่านอารมณ์ปฏิบัติได้ ผ่านความง่วงได้ยังจะตื่นตาตื่นใจนะเหมือนสว่างตาดูก็ชัดเจนหูฟังก็ชัดเจนแล้วเวลาเคลื่อนไม้เครื่อนมือสัมผัสก็ชัดเจนอย่างนี้เคลื่อผ่านอารมณ์เป็นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดของปัจจุบันขณะแต่ละขณะเพราะฉะนั้นทุกๆอารมณ์ก็จึงเป็นครูนะทุกๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องมือนกัว่าผ่านจกนกระทั่งเป็นเรื่องของสติเจริญ จเจริญสติมันก็สติมก็จเจริญน่ะนะท้สุดเมื่อสติมจเจริญก็ว่องไวที่จะรู้เท่ารู้ทันอารมณ์แล้วก็มันกัว่าทั้งภายในภายนอกภายนอกภายในรู้ได้ความเป็นกลางจะเกิดความยุติธรรมได้ไหมตรงนี้มันจะเกิดความยุติธรรมขึม้นไหการนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ทําไปเฉยๆยกมือเฉยๆยกแล้วเหมือนกับสัมผัสแล้วไม่ได้อะไรมันไม่ใช่มันมีอะไรอยู่ในนี้นะ ทุกครั้งที่สัมผัสรู้ความรู้สึกตัวทุกครั้งที่มันคิดแ้วรู้เท่ารู้ทันมันผ่านอะไรมามากมายเหลือเกินทุกครั้งที่กลับมาสู่ปัจจุบันขณะนี้มันก็จะผ่านความทุกข์ในอดีตที่เคยคิดแล้วเป็นทุกข์ประสบการณ์เก่าๆที่เราเคยทากับคนอื่นทางกายวาจาใจเบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจหรือว่าผู้อื่นได้ทำจนทั้งเป็นร่องรอยในใจเราเป็นแผลเป็นบาดแผล เราก็จึงเรียกว่ามีทางออกกันเมื่อเรารู้จักวิชากรรมฐานเล้อเราก็ฝึกหัดวิชากรรมฐานเสร็จแล้วเราลงมือทามันก็มีผลทำให้เราเหมือนกับว่าได้มีทางออกเล็กๆดนน้อยๆวัดๆแบมๆมันก็ยังดีเมื่อวานอาตมามีโอกาสลงไปที่จังหวัดระยองก็ไปสัมผัสกับคนรอบๆตัวที่เราหลบเข้ามาอยู่ที่วัดป่าสุขโตมาอย่าเป็นโยมพ่อโยมแม่โยมพี่ โยมหลานเลืยโยมอีกหลายคนหลายท่านนีนะหลายครอบครัวไปสัมผัส ด, ดูเนื่องจากทราบว่าหนึ่งก็คือมีน้ำไหลหลากไปทางนั้นที่ทางนั้นสองก็คือฝนตกหนักแล้วก็ตอนนี้บ้านมันต่ําว่าโรงงานมันสร้างโดยรอบแล้วชายคาของโรงงานมันรับน้ำเป็นระมาบมากแล้วเทลงมาทางที่ที่มีบ้านอยู่น้ามันขังแล้วก็แช่นาน ก็ลองไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าพอแก้ไขได้ก็จะช่วยกันอะไรเงี้ยก็ไปเห็นคนเครียดหลายคนนะอยางศีกาเครียด 10-15 ป, ปีในเครียดปัญหารอบๆตัวมากแล้วก็มีทางออกโดยการไปหาจิตแพทย์ตามโรงพยาบาลการนี้เขาก็ให้กินกินยานะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็อ้วนเลยนะไกลบวมยาอ้วน อีกคนหนึ่งมีอำนาจคนนี้ก็เป็นในฐทหาร น, นะแล้วก็ยศเดินมาถึงนาวายเอกทหารเรือนะเสร็จแล้วก็อายุก็ถือว่าไม่มาก50ิต้นๆเนี่ยก็เครียดจากการทำงานหนักการแข่งขันสูงแล้วก็ที่บ้านก็มีธุรกิจในกลุ่มของ c o คิดบ t สต์โอนนะต้องมีการแข่งขันกันสูงท้ายสุดเครียดแล้วสังเกตเออเขามีเงินนะเงินมาก แล้วก็มีตำแหน่งเปีมอำนาจเป็นข้าราชการแล้วก็ปล่อยเงินกู้เราเห็นเออคนนี้ก็เครียดแล้วก็ต้องใช้จิตแพทย์บำบัดอีกคนเหมือนกันแล้วก็ต้องล้างออกจากงา น, นเป็นไทรทหารก็ถือว่าเข้มแข็งประสมควรฝึกกายแต่ว่าท้ายสุดก็คือกเออ็เราออกมาทำธุรกิจดีกว่ารักษาโรคตัวเองเออสองคนแล้วนะส่วนโยมแม่เห็นเครียดมากๆเครียดมากๆ ไปครั้งนี้ทำไมราศีลักษณะผิดไปจากคนที่เคยทำบุญทำทานช่วยเหลือคนเอ๊เกิดอะไรขึ้นก็สังเกต ด, ดูน ะ, ะ, าะอายุใกล้จะ8ปดสิบเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมท่าทางแบบพูดกันไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องเอ๊ะแปลกแปลกไากับพี่สาวบอกว่าภายในปีเนี้ไปจิบยาดองก็ยาดองตาเสือสิบเอ็ดตัวยาดองแบบบานๆกินแล้วติด เราขาดไม่ได้ด้วยนี่คือทางออกของคนเครียดอีกคนโดยว่พาคนใกล้ตัวนะกลาไเป็นคนติดยาดองแล้วก็ยาดองเป็นไงนระบบสมองก็ปั่นป่วนทนะึงแล้วก็มันผะเสพจึงติดติดจึงอยากว่าอยากถึงเสพพี่สาว่ า, วาโอกโอ้เลยไม่รู้จะแก้กันยังไงเลยแม่ส่วนพ่อเขาก็เลือกที่จะนิ่งๆสังเกต ด, ดูเมื่ก่อนก็เดิมเหล้ามาก ไปวันนี้เอ๊ะท่านนิ่งท่านนิ่งแล้วก็ยอมรับสภาพเพราะว่าอายุพอๆหลวงตากรมเนี่แต่ว่าก็อยู่กับตัวเองเแล้วก็เลิกเล่าเลิกบุหรี่แล้วก็ไม่เคยได้ทํางานแล้วเพราะว่าผ่าตัดขณะที่นอนแล้วก็ความเจ็บความปวดจากการผ่าตัดก็แน่นอรูปอาการมึนหัวตรงี้อันนี้มีทางออกในการเลือกนิ่งๆเนาะโยมาะส่วนพี่สาวเวลาเขาเครียดเนี่ยก็เลือกร้องไห้ เลือกระบายพูดคุยก็เลือกร้องให้นะมันเป็นเรื่องปัญหาสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องสุขภาพเนี่ยทำให้คนเครียดเยอะเลยแล้วก็จังหวัดรยองคนเครียดนี่ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยระยองชลบรีมาเร็งเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเราจะทําไงกันดีถ้าไม่มีทางออกแบบวา่าทางออกที่มันมีอยู่แต่เราไม่เข้าใจมันแล้วก็ไม่ศรัทธาเนีเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงสําคัญนะ เรามาที่นี่ก็เชื่อว่าศรัทธาแล้วเราก็เลยมากันรับรู้เรียนรู้ข้อมูลฝึกหัดปิดบัตรลงไปจนหน้ามันเกิดปัญญาศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาเฉยๆแบบโง่หลงงมงายเป็นศรัทธาที่เราจะต้องใช้การฝึกหัดความรู้สึกตัวเพราะนั้นตู้ๆขนาดที่เราเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ปัจะเป็นขนาดเป็นตัวปัญญามันเป็นตัวแล้วหนของปัญญาที่พาให้เราพ้นจากอดีต อดีตเป็นสุขอดีเป็นทุกข์ต่างๆเนะี่ยปรับมาที่ปัจจุบันขณะนะจะนั่งเหมือนกับว่ามันเริ่มที่จะรู้จักสมมติบัญญัติเรื่องของสมมติมันมีอะไรบ้างนะที่มันบัญญัติเรื่องเดียวกันบางคนก็ดูพอใจบางคนก็ดูไม่พอใจนะแต่ละคนก็มีกรรมของของขอ ง, ของตนนะนะกรรมมนตนาวตีโลโก้การคิดก็เป็นกรรมมโนกรรมการพูดก็เป็นกรรมวจีกรรมการกระทําก็เป็นกรรมกายกรรมอย่างนะี้ คราวนี้เรามาทำกรรมฐานให้เปลี่ยนให้เป็นธรรมชาติให้หมดเลยให้การคิดการพูดการทําเป็นธรรมะพูดออไปเป็นวาจาสุภาษิตปิยาวาจาเป็นคําทีลภาพพวกนีนะ้เป็นของคําพูดนะที่มันมีแล้วนะของธรรมรสธรรมรสเนี่ยมันไม่ใช่รดอูมามินะโยมรู้จักไหมลดโอมามิธรรมรสจะลด จ, จืดๆไม่ใช่ลดก ล, กล่อมๆอย่างที่โลกโลกเขาสมมติกัน มันเป็นรถธรรมดาธรรมดาที่มันรู้เท่ารู้ทันกายใจของเราเนะี่ยสังเกตรวบรํมนามธรรมการต่างๆวันนี้ปฏิบัติมีอาการอะไรบ้างเช่นมันคิดมากไหมวิธีการเวิบัแบบนี้ยิ่งคิดยิ่งดีไม่ใช่ฟุ้งซ่านแล้วไม่ดีนะยิ่งคิดนยิ่งรู้เท่ารู้ทันยิ่งกลับมาได้ยิ่งดีคิดมากทลายมันจะรู้มากตอนนั้น คิดมากถลายกลับมาได้มากเท่านั้นก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เป็นการกดกดข่มขมนะกดกดข่มข่มอาเห็นโยมแม่ธรมะกดข่มมาเยอะกดข่มเวลามีความทุกข์ก็กดกดเก็บเก็บมาไว้เยอะแล้ววันทีก็มีการออกไปแสดงออกลักษณะที่ว่าเป็นแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านช่วยเหลือชุมชนพวกนี้เห็นไปบิบัติธรรมกายทำบุญเยอะคนใกล้ตัวเลย แต่ท้ายสุดตอนนี้มันมั น, ม, นมันพึ่งความรู้สึกตัวไม่ได้ต้องพึ่งไอตัวยาดองอันนี้เอามาก็เลยว่าเออจําเป็นแล้วแหละประโยชน์ต่อญาติประโยชน์ต่อหมู่คณะชุมชนอะไรแบบนี้ประโยน ช, ชน์ตอนประโยชน์ท่านจําเป็นแล้วแหละเคคิดอยู่เหมือนกันว่าจะหาอุบายพามาอยู่วัดบ้างหละแยากรู้ท่านจะยอมมาแบบว่าติดที่รอสมควรติดลูกติดหลานพอสมควรแล้วก็จึงขออนุมาตนากับพวกเรา ที่อุตสาห์เสียสละแรงกายแรงใจหรือว่าทำงานกำลังเงินกำลังทรัพยนะ์วางความดีที่เคยทำมาแล้วก็ยกจิตยกภพภูมิของจิตนะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือเข้ามาสู่ลักษณะของฝึกกรรมาฐานให้จิตเกิดความฉลาดขึ้นมานนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปทำมันจะมีความกังวลเกิดขึ้นมาที่คิดแว้ไปเรื่องอดีตนะเรื่องมาเนี่ยนะมีไหม คิดแวะไปในอดีตเป็นเรื่องของปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกมีไหมบางทีคิดแวะไปในอดีตเป็นเรื่องของปัญหาที่มันเคยเกิดมาเรื่องสุขภาพเรื่องนะเศรษฐกิจเรื่องของการเดินทางการเรียนหรือ ว, ว่าคนรักคนชังต่างๆมันมีไหมนะแล้วก็กลับมาหาไปจนวันกันหนักเคลื่อนไหวรู้สึกตัวอย่างเนี้นะ ก็จะช่วยเราเหมือนกันว่า1วันสวัน3าวันนะมีประสบการณ์ตรงแล้วก็มันจะปรับเนื้อปรับตัวนิดหนึ่งเข้ากับอากาศนะเขากับกิจวัตรประจำวันของชุมชนการหลับการตื่นหรือว่าอาหารและที่สำคัญ ก, ก็คือใครที่เคยปฏิบัติรูปแบบหรือว่าวิธีการอื่นๆมาปเรามาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวอย่างเงี้ยไม่จม้องปรับเข้ารูปแบบใหม่ บาทีเราชอบนั่งนิ่งๆสงบดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันต้องปรับมาเคลื่อนมือรู้สึกเคลื่อนมือรู้สึกเนี่ยบางทีมันเก้อเกเขินเขนได้แล้วบางทีมันเหมือนก็เราไม่สงบปฏิบัติธรรมมันต้องนั่งหลับตาเงี้ยนะบางทีเราก็มองไปในรูปแบบแบบนั้นนีก็มาที่นี่เราก็ลองใช้การเคลื่อนไม้เคลื่อนมือดูก่อนเพราะว่าหลวงปู่เทียนเจี่ยโปนะนะท่านก็ใช้คําพูดที่เราฟังแล้วก็รู้สึกว่า ถ้ามันเป็นจริงๆอย่างนั้นนะถ้าเป็นสัจธรรมที่เราไม่ได้หลอกตัวเองหรือว่าท่านไม่ได้หลอกตัวเองแล้วก็พูดมาพุทธิจัแบ่งปันข้อมูลว่าเรารับรู้รับทราบว่าท่านใช้คําว่าสูตสรสําเร็จอึดใจเดียวสู่การรู้แจ้งการเดินจบกรมการนั่งสร้างชั่ววันเป็นสูตสรสําเร็จอึดใจเดียวสู่กายรู้จรแจ้งเราก็มองดูว่าเออถ้าเป็นสูตสรสําเร็จนะมันก็น่าจะเหมาะกับเราด้วยเหมือนกันท่านใช้คําว่า ถ้ารู้สึกตัวจริงๆเนี่ยนะต่อเนื่องเชื่อมโยงนะไม่เกิน3ามปีโอ้สามปีหนึ่งปีสองปีสามปีมันก็ไม่นานเกินไปนะถ้าอย่างกลางอ่ะหนึ่งปีเกินไหวรู้สึกตัวนะทำจริงๆนะทำให้ถูกถูกต้องแล้วให้ต่อเนื่องนะจริงๆหรือว่าอย่างเร็วสุดหนึ่งวันถึง9 0้าวันเกวันก็สามเดือนอบัดีข่าวรรษา มันก็จะมีผลขึ้นมาก็คือมันจะได้อารมณ์ปฏิบัติรู้รูปรู้นามแล้วก็รู้ทันความคิดเห็นความคิดอย่างเงี้ยเห็นขันห้าท่านบอกเอาไว้เป็นฉากเป็นฉากเห็นหน้าของรูปธรรมเห็นหน้าของวิญญาณสังขารเห็นเวทนาเห็นสัญญาเนี่ยมันเป็นอาการของรูปนามขันห้าน่ะรูปธรรมก็เห็นอยู่การเคลื่อนการไหวอาการของมันอย่างเงี้ย นามธรรมก็เห็นอยู่ก็คือการคิดการปรุงทั้งหลายมันก็จะเห็นเป็นฉากเป็นฉากเป็นขั้นเป็นตอนตามลําดับของธรรมะที่เราได้ใส่ใจสนใจแล้วก็ปฏิบัติโดยแยกคายคือการหันกลับมาดูตัวเรามันก็จะได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนเห็นตัวอลักษณะของกิเลสกรรมวิบากกิเลสมันเป็นยังไงกรรมมันเป็นยังไงผลของกรรมวิบากมันเป็นยังไง ก็จะได้เห็นอาการมันปรากฏนะอย่างเช่นเรานั่งอยู่ไปบันเนี่ยนะอยู่ๆ อ, อดีตปรากฏขึ้นมาเฉยเลยแล้วเราก็รู้สึกเช่นพ่อตายแม่ตายอาจะรู้สึกทันทีเศร้าๆหรือบางทีไม่ใช่พ่อตายแม่ตายนะันมาเคยจับสังเกตเหมือนกันเนีดูการนี่แหละปลายฝนต้นหนาวนี่แหละมันจะมีอาการเศร้าๆเกิดขึ้นมาเช่นเดี๋ยวอีกสักพอไปไปไปลายภาษาออกภาษา คนก็จะสึกหาลาเพศกันไปเมื่อก่อนเคยอยู่สองรูปกับอาจารย์ยุกิแล้วพออาจารย์ยุกิออกภาษาไปญี่ปุ่นเราอยู่รูปเดียวจะรู้สึกเศร้าเวลาพ่เพพ่เพอากาศหนาวหนาวแล้วใบไม้เริ่มสลัดเป็นกิ่งไม้แห้งมันจะว้าเวมันจะมีอารมณ์เหมือนกับเศร้าๆปราเปรียวเปลี่ยวใจมันมีความรู้สึกเหมือนกับมัน มันจะลึกระลึกกลับไปย้อนหาอดีตเราเคยมีอารมณ์เศร้าเศร้าซึมซึมมันจะปรากฏขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันขนาดมันจะพาให้เราไปหาอดีตหรือบางทีเรารู้สึกตัวอยู่อดีตมันก็จะมาโผล่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลกันตลอดเราจะได้รู้เท่ารู้ทันอารมณ์ว่าเออมันมีกระบวนการที่มันปลดปล่อยเราก็จึงไม่กั้นอารมณ์สักตัวเดียว อารมณ์ทางตาโอ้จะมุลินกายใจในเปิดหมดเลยเวลาปฏิบัตินะเปิดทวารหมดเลยแต่ว่าให้เราแอบสังเกตในตัวสัมผัสรู้สึกกลับมาหาตัวนี้ละสัมผัสรู้สึกมันก็จะเลยเห็นว่าเอออารมณ์ที่กำลังปรากฏรูปมากระทบตาเนี่ยมันไม่มีภาษาลงไปเสียงมากระทบที่หูเหมือนกันมันจะไม่มีภาษาใส่ลงไปภาษาความคิดเป็นโลคความคิดภาษาในสมองอะไรมันจะไม่มี เราจะเริ่มเห็นแล้วเออมันเปลี่ยนไปมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะตมาเคยปฏิบัติข อ, อย่าใหยฟังนิดนึงนะขอไปเวลานี้แหละเมื่อสองวันก่อนอะมามาเจอไอ้หน่อไม้มันหล่นเต็มไปหมดเลยมันทําให้เราลึกถึงมันมีอยู่อารมณ์หนึ่งตอนที่เราเดินไปปลายภรษามันจะมีฤดู ก, กาลที่เรียกว่าฝนผ่าหัวปลาหมอหกักคอหน่อไม้เคยได้ยินไหม ฝนฤ ด, ดูการที่ฝนผ่าหัวปลาหมอหักคอหน่อไม้โบราณทันยาวทั้งหน่อไม้และปลาหมอมาแกงด้วยกันฤ ด, ดูการนี้ก็คือที่ผ่านมานะมีครั้งหนึ่งโดยจงกลมแล้วมันก็แวบคิดตอนเย็นมันก็หิ ว, วนะมันหิวอาหารหบวชเป็นจลาแรกแล้วมันก็มีอาการแบบปรงไปเห็นหน่อไม้ยอดอ่อนๆไหวไห ว, ไ ว, ไวลมพัดน่ เสรแล้วมันก็มีความรู้สึกว่าคิดนอยากจะกินหน่อไม้มันก็คิดอยากจะกินหน่อไม้เอามาย่างเอามาเผาหรือเอามาต้มเอามาแกงกแล้วมันก็ปร่งไปเสร็จ ล, ลมก็กันโชกฝนก็ตกปรากฏว่ามันหักลงมาไอ้หน่อไม้ที่เราดูนะมันหักลงมาแล้วก็ตกอยู่ตรงหน้าพอดีเลยมันก็ปร่งไปตีกันเนี้ยโอ้โหเรามีลิขิตขนาดนี้นะ ประเดี๋ยวทำย อ, หห อ, ยย อ, อย่างนั้นมีลิบตามองนะโหเนาะไม้หักแลอะไรเงี้ยนะแต่มันปรุงไวขนาดนั้นนะจิตของเรานะ่ยไปเจอขนาดผ้าให้ปรุงต่างๆมานามากมายะนะเพราะนั้นเวลาเราฝึกสติเราไม่ได้รังการลิ้นที่อะไรสักอย่างนลยสกอย่างที่เห็นจะปรากฏมาแต่ไม่ได้มีความคิดใส่ลงไปนะก็คือเราจะเห็นเลยมันเป็นความรู้สึกตัวมันไม่ได้เป็นความคิดมันเป็นการสัมผัสนะสัมผัสทางตาหู้โหจมูกลิ้นนะเป็นความรู้สึกเหมือนกัน ปลายปายบัญษาได้มีอาการเห็นอยู่บรรษาแล้วนะบางทีมนันเป็นอย่างนี้นะในช่วงที่เราอยู่ปฏิบัติเยอะๆนะี่ยบางทีมันจะมีอาการแน่นอึดอัดบอกไม่ถูกนะมันก็สนใจอยู่ศรัทธายอยู่ปฏิบัติอยู่แต่ว่าปัญญาไม่เดินมันทื่อๆแล้วมันก็มันก็เบื่อเบนะื่อหน่อยบางทีมีมดเดินก็ามาแล้วก็ไปเล่นกับมดก็นไปเอาไมา้เขี่ยเล่น จับมัดดําไปใส่มัดแดงเนี่ยจับมัดแดงไปใส่มัดดําไน่มาในเล่นอย่างเงี้ยนะเออแล้วเสร็จแล้วมันก็มันก็ไม่ได้กลับมารู้สึกตัวมันหาเรื่องหลุดอ เ, เอาไว้ไอ้ตรงนี้ต้องใสยบรรยากาศของกกรยาณมิตรมาใส่บรรยากาศของครูบาอาจารย์บางทีเดินสวนกับหลวงพ่อปั๊บเนี่ยหลวงพ่อท่านจะรู้นะเวลาเราไปบัตรละติเราท่านจะเดินเฉียวเียวมันจะหลุดทันทีเลย มันจะเหมือนกับว่าเราเอานิมิตจากท่านเนี่ยท่านวางกายวางใจวางท่าทางผ่อนคลายพอตาเราไปกระทบมันผ่อนคลายมันหลุดพ้อออกมาทันทีเลยเงี้ยเราสังเกตโอ้มันมีอารมณ์ต่างหลายอย่างนะทางที่ทางนี้ทางนั้นเราก็จําไว้ว่าวิธีปฏิบัติแบบแนวเคลื่อนไหวนั่นคือให้เห็นกายเคลื่อนไหวนะจุดปฏิบัตินะเห็นกายเคลื่อนไหวไว้ก่อนไล่เห็นใจเวลามันนึกมันคิดเวลามันนึกมันคิดเนี่ยมันจะมีอาการระลึกนึกคิดแล้วก็ปรุงแต่งนะนะ ถ้าพวงแต่งมันจะยาวไปแล้วล่ะหลุดไปยาวเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราจะได้เห็นตัวสังขารถ้ามันคิดมันปร่งแล้วกลับมาได้แล้วมันหลุดนะโอ้ตรงนั้นมันจะเกิดปัญญาเป็นร่องเล็กๆเราสะสมหน่วยกิตอันนี้ไว้นะร่องเล็กๆรู้แล้วหลุดรู้แล้วหลุดมันจะกลายเป็นบีมดุดทุกครั้งมันรู้แล้วไม่หลุดรู้แล้วไปยึดตอนนี้มันรู้แล้วมันหลุดมันเป็นสติปัฏฐานนั่นแหละเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานนีก็จะเริ่มทํางานใหม่ๆพิบัติจะเพ้งจี้จ้อง เราก็จะมีอาการเผลอๆแต่พอเราฝึกไปฝึกไปเดินไป1นึ่งวันสวันสวันหเดือนสเดือนจะเจออาการที่เรียกว่ากลางๆมันจะเริ่มกลมเกลือและเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้เกี่ยวข้องถูกต้องก็คือมันจะไม่หลุดเข้าไปในระนาของแดนของโลกิยธรรมก็คือแดนที่รูปรดกินเสียงมันปรุงอะนะมันอยู่ในแดนของปกติธรรมในแดนของรู้แล้วก็เฉยๆรู้ซื่อๆแล้วก็จะรู้จกักว่าออรู้ซื่อๆรู้เฉย ๆ, ๆ ผู้ปฏิบัติผู้ที่ใส่ใจสนใจจะได้กลับมาเห็นตัวเองนะจะได้ที่พึ่งนะที่พึ่งในตัวเราตรงนี้แหละ ม, มันบอกกันไม่ได้เฉยๆต้องทําเอาแล้วก็ให้มันได้สัมผัสสะดุดกึกลงไปเลยจิตใครชีวิตเราสะดุดกึกลงไปตรงนี้แล้ ว, ลวเสร็จแล้วก็เอาไว้พึ่งแต่จะทําให้พึ่งได้แล้วพอใช้ก็ต้องเรียกว่าต้องขยันสักหน่อยมีความเพียรสักหน่อยนะวิริยะใส่ใจสักหน่อยตั้งมั่นสักหน่อยแล้วจิตตะ มีสมาธิอาการกระทําตั้งมั่นกับการกระทําแล้วก็ทดลองดูอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะเกิดปัญญาขึ้นมาเราจะเห็นประโยชน์ของมันถึงตรงนี้แล้วเราจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะขยันรู้กับมันเองมันเป็นไปเองตรงนี้ห้ามกันไม่ได้แล้วมันจะไหลไปเอียงไปเทไปสู่มรรคสู่ผลอย่างนี้นะขอพูดให้ฟังไว้นะโดยสังเกตแค่นี้ก่อนวันนี้เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้เราได้มีโอกาสได้ฝึกความรู้สึกตัวจทัึง เกิดสติที่มันว่องไวแล้วก็เกิดจิตใจปองใสบ่งเบิกบานจะทาเหมือ น, นกับเราได้ใช้ชาวพุทธที่เป็นชาวพุทธตามสําเนาตะียนบ้านจะทำมันเป็นลักษณของการใช้งานได้จริงในวันนี้ของไทยของเราต่อไปก็ขอให้ทำ ม, มาสมควรแก่การปฏิบัติก็ได้แสดงออกได้รู้ได้เห็นตามสมควรแก่การปฏิบัติโดยทั่วหน้ากันทุกรูปทุกนามเตอน